บทที่78หลวงพ่อในป่าหลวงพี่เขาลือกกันมาจากบางกอกว่าที่ขอนแก่นมีพระยืดเหรียญได้ ในเชี่ยวนำข่าวมาบอกในเย็นวันหนึ่งยืดเหรียญอะไรของเองละ่ะเกิดมาค่าก็ไม่เคยได้ยินสักทีพระเจริญถามแมมหลวงพี่นี่ไม่ทันสมัยบ้างเลยขนาดไปอยู่ใกล้ชิดเมืองบางกอกมาตั้งหกเดือนยังไม่รู้เรื่องอีกในเชี่ยวค้อนขอดเอาละเอาละอย่ามาพูดมากในเองลองบอกมาสิว่ายืดเหรียญอะไรของเองคืออย่างนี้ พี่ชายในฌานทำท่าขึงขังและจึงเล่าว่าเขาลือกันตั้งแต่บางกอกจนถึงสิงห์บุรีว่ามีพระรูปหนึ่งอยู่ที่ขอนแก่นท่านสอนวิชายืดเหรียญได้ก็เหรียญห้าสิบสตางค์นี่แหละท่านมีคาถายืดเหรียญยืดแล้วเป็นยังไงละ่ะมีประโยชน์่องไรอ้ากก็ขายสิหลวงพี่ยืดเหรียญขาย ถ้าเราได้วิชานี้เราก็รวยหลวงพี่รู้ไหมเขาขายกันเหรียญละหมื่นสองหมื่นพูดด้วยท่าทางที่ตื่นเต้นเหรียญห้าสิบเหรียญเดียวเนี่ยนะขายได้เป็นหมื่นพระหนุมรู้สึกตื่นเต้นตามไปด้วยก็ใช่นะสิผมถึงอยากส่งหลวงพี่ไปเรียนแล้วก็เอามาสอนผมเราจะยืดเหรียญขายกัน รับรองรวยแน่ค้นหัวการค้าแน่แล้วคนซื้อเ้าจะเอาเหรียญไปทำอะไรละ่ะคนเป็นพระยังสงสัยเขาก็เอาเลขที่อยู่ในเหรียญไปแทงหวยสิครับเห็นว่าแทงถูกสามงวดสีงวดติดๆกันเลยหลวงพี่ไปเรียนนะครับพวกเราจะได้ร่ำรวยกันสักีนะครับในเชี่ยวขยันขยองั้นก็ต้องรอให้ออกพรรษาก่อน หลวงพ่อชอบจะว่ายังไงบ้างก็ไม่รู้ข้าไม่ค่อยได้อยู่วัดเลยท่านปรารภท่านจะว่าอะไรก็หลวงพี่หาเงินให้ครบ4ี่สิบเมื่อแล้วลำพังท่านเองจ้างก็ไม่ได้สร้างโบสถ์ถึงยังไงท่านก็ต้องเกรงใจหลวงพี่อยู่ดีนั่นแหละหลวงพี่ก็เรียนท่านซิว่าจะไปเรียนวิชาความรู้เรื่องอะไรจะมาอยู่ให้เขาใช้ ช่วยมามากแล้วที่เอ็งพูดมาก็ถูกคนเราเนี่ยนะจะเป็นครือข่าก็ตามเป็นพระก็ตามถ้าเราช่วยเขาได้เขาก็ว่าเราดีช่วยเขาไม่ได้เขาก็ว่าเราไม่ดีเหมือนที่สุนทรผู้ท่านสอนไว้ว่าอันค่าไทยได้พึ่งเขาจริงรักแม้ถอยศัก์สิ้นอำนาจวาสนา เขาหนายนี้มิได้อยู่คู่ชีวาแต่วิชาช่วยตนจนวายปรานใครเห็นจะต้องไปเรียนวิชาที่เอ็งว่าเสียแล้วพระหนุ่มพรอยเห็นดีเห็นงามไปด้วยดังนั้นเมื่อออกพรรษาพระเจริญจึงลาสมภารวัดพรหมบุรีเพื่อไปหาวิชาท่านนั่งรถโดยสารจากสิงห์บุรีไปลงที่ลบบุรีจากลบบุรี ก็ต่อรถโดยสารไปยังนครราชสีมาข้ลงท่านปักกรดนอนที่นั่นรุ่งเช้ามีชาวบ้านมาถวายบิณฑบาตจากนาครราชสีมาท่านได้อาศัยรถกระบะของบุรุษผู้หนึ่งที่กำลังเดินทางไปขอนแก่นเพื่อค้าขายถึงขอนแก่นแล้วท่านก็ได้ส่อหาที่มาของข่าวลือกระทั่งไปพบอดีตผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งอายุแปดสปี เขานิมยมนท่านไปพักที่บ้านซึ่งอยู่ในป่าไกลตัวเมืองหลายสิบกิโลเมตรต้องนั่งเกวียนไปหนึ่งวันเต็มๆพระคุณเจ้าเดินทางจากสิงห์บุรีมาที่นี่เพื่อจุดประสงค์อันใดครับอดีตผู้ใหญ่บ้านวัย8ปสถามอาตมาจะมาพิสูจน์ข่าวลือนโยมเขาลือกันไปถึงสิงห์บุรีและก็บางกอกว่าที่ขอนแก่นมีพระยืดเหรียญได้ เห็นว่าขายเรียนละหมื่นสองหมื่นอาตมาก็อยากจะมาเรียนวิชากับท่านจะได้ไปช่วยญาติโยมให้ร่ำรวยกันพิกษุไวยีสบห้าบอกจุดประสงค์ของการมาอดีตผู้ใหญ่บ้านใช้เวลาไตรตรองอยู่ครู่หนึ่งจึงพูดขึ้นว่าข่าวลือมันแปลกนะครับพระคุณเจ้าพอเล่าต่อต่อกันไปจากคืบเป็นสอบจากสอบเป็นวา จากวาก็เป็นเส้นจนแทบจะนำมาประติดประตอกันไม่ได้บังเอิญผมรู้เรื่องนี้ดีจึงเข้าใจที่ท่านพูดเรื่องมันเป็นยังไงโยมภิกษุอคันตุ ก, กะอยากรู้พระคุณเจ้าโชคดีนะครับที่มาเจอต้นต่อของเรื่องเข้าพอดีไม่เช่นนั้นก็คงลือกันออกไปอีกเอาล่ะครับผมจะเล่าถวายและบุรุษ สูงอายุจึงเล่าว่าผมเป็นลูกท่านขุนพ่อผมเป็นกำนันตำบล น, นี้มาก่อนและได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นขุนพร้อมทั้งพระราชทานกล่องยาทองเหลืองให้ด้วยเขาลุกขึ้นไปหยิบกล่องยาทองเหลืองมาให้ท่านดูด้วยท่าทางกระฉับกระเฉงผิดกับคนอายุ84ทั่วๆไป ภิกษุอคันตุกะพิจารณาดูกล่องยาทองเหลืองมีหูสองข้างสำหรับใช้เชือกร้อยผูกกับเอวมีฝาปิดได้มีบุหรีเป็นมนมวลอยู่ในกล่องและมีไฟแช็กทำด้วยหินปูนก้อนหนึ่งมีเหล็กไว้ตีให้เกิดไฟสำหรับจุดบุหรีสูกบุรุษวัยแปดสิบสีอธิบาย กรองยานี้ผมได้รับมรดกจากพ่อผมพวกพี่ๆเขาเอาสมบัติกันหมดผมเป็นลูกคนเล็กก็ได้แค่กรองยาที่พ่อได้รับพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่หสมัยที่เป็นกำนานและไปเกี่ยวข้องอะไรกับยืดเหรียญยังไงอาตมาใจร้อนอยากรู้เรื่องเร็วๆท่านเร่งเราใจเย็นๆครับพระคุณเจ้าผมกำลังจะเล่าถวายอยู่เดี๋ยวนี้ พระหนุ่มจึงฟังอย่างตั้งอกตั้งใจโยมผู้เคยเป็นผู้ใหญ่บ้านเล่าว่าในกรงมีเหรียญอยู่เหรียญหนึ่งซ่อนอยู่กับกรงซึ่งผมก็ไม่ได้สังเกตกระทั่งพระท่านทักผมจึงได้รู้ที่ว่ายืดเหรียญได้นาะรึกพระเจริญซักไม่ใช่ยืดเหรียญหรอกครับผมว่าเป็นเรื่องแปลกคือพระองค์นี้ ท่านจะมาปักกรดอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่เป็นเวลาหนึ่งเดือนของทุกๆปีท่านจะอยู่กลางเดือนสามพอกลางเดือนสีก็หายไปไม่ทราบว่าท่านไปไหนเพราะไม่มีใครเห็นพระอคันตุ ก, กะรีพูดขึ้นอย่างยินดีว่านี่ก็กลางเดือนสามแสดงว่าท่านยังอยู่ครับกลางเดือนสี่ท่านถึงจะไปพรุ่งนี้ผมจะพาพระคุณเจ้าไปกราบท่าน ท่านอยู่ในป่าห่างจากหมู่บ้านไปประมาณสี่กิโลเมตรพระคุณเจ้าเดินไหวไหมครับแน่นอนอาตมายังหนุมแน่นว่าแต่โยมจะเดินไหวหรือเปล่าถ้ายังไงก็ช่วยหาคนพาอาตมาไปก็ได้พูดอย่างเกรงใจไววครับท่านผมเดินมาตั้งแต่เป็นเด็กสมัยที่ผมอายุ8ปก้าขวบ ผมไปนากับพ่อไปช่วยพ่อเลี้ยงควายผมก็ได้อาศัยข้าวก้นบาทท่านกินผมเห็นท่านทุกปีตั้งแต่เป็นเด็กจนอายุ84ย่าง85าปีข้อนี้แล้วก็70กว่าปีมาแล้วนาซิท่านเป็นองค์เดียวกันหรือเปล่าและท่านไม่แก่บ้างหรือพระหน่มสงสัยเป็นองค์เดียวกันแน่นอนครับรูปร่างหน้าตาท่านไม่เคยเปลี่ยน ตั้งแต่ผมเห็นท่านครั้งแรกจนปัจจุบันท่านก็ยังเหมือนเดิมผมแปลกใจเหลือเกินว่าทำไมท่านถึงไม่แก่และทำไมท่านถึงอายุยืนผิดปกติและโยมเคยคุยกับท่านไหมท่านไม่พูดครับได้แต่นั่งหลับตาอยู่ใต้ต้นไรแขวนบาดไว้ที่กิ่งไซพอเพนท่านก็จะปลดบาดลงมาและฉันอาหารในบาด ผมไม่เคยเห็นใครนำไปถวายสักทีไม่รู้อาหารมาได้อย่างไรแต่ตอนนั้นผมยังเด็กเกินกว่าที่จะสงสยัยผมก็จะไปนั่งคอยท่านพอท่านฉันเสร็จก็จะเทอาหารก้นบาดให้ผมแล้วท่านก็ล้างบาดแขวนไว้ที่เก่งใส่ตามเดิมญาติโยมไปหาท่านก็ไม่พูดด้วยไดแต่นั่งหลับตาอยู่อย่างนั้นเลยไม่มีใครสนใจท่าน กระทั่งผมโตแต่งงานมีลูกมีหลานท่านก็มานั่งที่นั่นทุกปีปีละหนึ่งเดือนอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วและโยมไปมาหาท่านบ่อยไหมก็ไปทุกปีหลักครับผมรู้สึกว่าท่านมีบุญคุณให้ผมได้กินข้าวก้นบาศสมัยผมเป็นเด็กๆแล้วก็น่าแปลกที่ท่านเกิดพูดขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองหลังจากที่ไม่ได้พูดมาเจ็ดสิกว่าปี จนผมคิดว่าท่านไม่พูดใช้แล้วท่านพูดไว้ยังไงล่ะโยมพระหนุ่มถามอย่างสนใจท่านบอกผมว่าโยมมีของดีอยู่ในกล่องยาไม่น่าจะมาทิ้งผมก็นึกเอะใจว่าของดีอะไรเพราะลืมไปแล้วผมใช้กล่องยานี้มาตั้งแต่พ่อให้พอยาหมดก็ใส่ยา ไม่ได้สังเกตว่าที่ก้นกล่องนั้นมีเหรียญอยู่อันหนึง่งกระทั่งพระท่านบอกท่านว่าเอาไปบูชาเสียลูกหลานจะได้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นเหรียญพระราชทานจากองค์พระราชาที่ทรงให้บําเหน็จรังวันแก่ผู้ใหญ่บ้านกำนันที่ทำงานดีปกปักรักษาราชดรให้อยู่เย็นเป็นสุขจึงพระราชทานเหรียญนี้ผมก็ดีใจ พอกลับมาถึงบ้านก็มาเปิดกล่องยาดูก็พบเหรียญซ่อนอยู่ที่ก้นกล่องแต่ไม่ใช่เหรียญห้าสิบที่เอาไปลือกันหรอกครับและเป็นเหรียญอะไรล่ะโยมพระน่มถามเป็นเหรียญพระจักรารจากองค์พระราชาครับในเหรียญมีเลขอยู่สามตัวผมก็จะเอาไปเล่าสู่ให้ลูกหลานฟัง พวกเขาก็เอาเลขสามตัวนั้นไปแทงหวยปรากฏว่าถูกติดๆดกันถึงสามงวดก็เลยเล่าลือกันต่อต่อไปจนถึงบางกอกแล้วในที่สุดก็กลายเป็นว่าเหรียญยืดได้ผู้ใหญ่บ้านเล่าถึงต้นสายปลายเหตุแสดงว่าเหรียญยืดไม่ได้ใช่ไหมถามอย่างผิดหวัง เรื่องที่ผมเล่ามาก็มีเท่านี้แหละครับความจริงมีอยู่นิดเดียวแต่พอเล่ากันปากต่อปากจะคืบกลายเป็นศอกจากศอกกลายเป็นวาอย่างที่ผมกล่าบเรียนมาแต่ต้นพระเจริญยังไม่ปกักใจเชื่อทั้งหมดท่านยังมีความหวังว่าพระองค์นั้นจะต้องมีวิชายืดเหรียญได้ขอให้ถึงวันพรุ่ง น, นี้เสก่อนจึงจะพิสูจน์ว่าจริงดังข่าวลือหรือไม่ รุ่งเช้าหลานสาวผู้ใหญ่บ้านเป็นคนนำอาหารมาถวายหล่อนรู้สึกชอบพระหนุ่มตั้งแต่แรกเห็นนับแต่เป็นสาวเป็นนางมาจนอายุได้สิบแปดปียังไม่เคยพบใครหล่อเหลาเท่าพระหนุ่มรูปนี้วิธีเดียวที่ทำให้ท่านสนใจก็คือปรุงอาหารให้สุดฝีมือเข้าตำราสเสนปลายจะหวักผัวรักจนวันตาย หล่อนตื่นตั้งแต่ตีสีถือไฟฉายเข้าไปในเล้าไก่จับไอ้โต้งมาตัวหนึ่งจัดการเชือดคอและต้มลวกน้ําเพื่อถอนขนเสียงไอ้โต้งร้อง อ, อ๊ อ, อกอตอนถูกเชือดได้ยินไปถึงหูพระเจริญท่านรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเคยรับจ้างเชือดคอไก่มาก่อนพระหนุ่มได้แต่แผ่เมตตาให้มันและตั้งใจว่าจะไม่ฉันเนื้อมันเป็นอันขาดเพราะ จะเป็นการผิดวินัยของสงฆ์พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ว่าห้ามภิกษุฉันหรือรับประเคนอาหารปรุงจากเนื้อสัตว์อย่างหนึ่งอย่างใดในสิบอย่างได้แก่เนื้อมนุษย์เนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อสุนัขเนื้องูเนื้อราชสีหรือเนื้อหมีเนื้อเสือโครงเนื้อเสือดาวและเนื้อเสือเหลืองเนื้อสัตว์นอกนี้ ฉันได้แต่ต้องปรุงให้สุกเสียก่อนและต้องอยู่ในเงื่อนไขาสามประการคือไม่เห็นไม่ได้ยินและไม่รังเกียจ ด, ดังนั้นการที่โยมหลานสาวผู้ใหญ่อุตส่าห์ฆ่าไก่ปรุงอาหารมาถวายแม้ท่านจะไม่เห็นหากได้ยินแล้วก็รังเกียจว่าเขาจงใจฆ่าเพื่อมาถวายท่านถ้าท่านฉันก็จะต้องอาบัตจึงตั้งใจว่าจะไม่ฉัน อีกประการหนึ่งท่านคิดว่าได้สร้างกรรม เ, เวรไว้กับสัตว์เหล่านี้มามากจึงตั้งปณิธานว่าจะไม่ยอมฉันสัตว์ปีกอีกต่อไปจนตลอดชีวิตหากไม่มีอะไรฉันนอกจากเป็ดไก่ท่านก็จะทยอยจะไม่ยอมเสียสัจจะเพราะปากท้องเป็นอันขาดดังนั้นเมื่อถึงเวลาฉันท่านจึงฉันข้าวเหนียวปั้นจิ้มกับแจว่วไม่แต่ต้องไก่ย่างซึ่ง ย่างมาจนเหลืองหน้ารับประทานส้าน้อยวัยสิบปดอดถามไม่ได้ว่าลวงพี่ทำไมไม่ฉันไก่ย่างละจ๊ะดิฉันทำสุดฝีมือเลยชิมสักหน่อยก็ยังดีไม่เช่นนั้นดิฉันจะเสียใจแย่อาตมาไม่ฉันหรอกโยมเพราะได้ตั้งใจแล้วว่าจะไม่ฉันสัตว์ปีกท่านตอบตามตรงละจ้าถ้าเช่นนั้นดิฉันจะไปปิ้งปลาเค็มมาถวาย ท่านฉันประเค็มได้ใช่ไหมจ๊ะหล่อนถามไม่ได้หรอกโยงออกชื่ออาหารอย่างนั้นอัตมาก็ฉันไม่ได้ทำไมละจ๊ะเพราะการถวายอาหารพระแล้วระบุชื่ออาหารทำนองเชิญชวนให้ท่านฉันถ้าท่านฉันถือว่าผิดวินยัยโยมจำไว้เลยว่าเวลาถวายบิณฑบาตแด่พระสงฆ์ให้บอกแต่ว่า เป็นบินธบาทไม่ต้องระบุว่าต้ม อ, อะไรแกงอะไรเพราะถ้าฉันจะเป็นอาบัติโทษท่านถือโอกาสสอนสาวน้อยบุญรวมเองออกไปได้แล้วปล่อยให้ท่านฉันตามอัธยาศัายเถอะผู้ใหญ่บ้านบอกหลานสาวอย่างรำคาญทำไมละบปูก็ข้าห่วงท่านกลัวท่านจะฉันไม่ลงนี่นาหลานสาวเถียง แต่ปูว่าท่านจะฉันไม่ลงเพราะความห่วงของเองนี่แหละทางที่ดีเอ็งรีบออกไปเซโรเรลไปสิเมื่อถูกผู้ใหญ่ผู้เป็นปูไล่เช่นนี้หลานสาวจึงทำท่าทางกระฟัดกระเฟียดออกไปนั่งดูอยู่ห่างๆพระเจริญฉันได้สองคำก็ล้างมือยกขัดน้ำขึ้นดื่มเป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่าอิ่มแล้วผู้ใหญ่ บ, บ้านคิดว่าหลานสาว คงเป็นสาเหตุให้ท่านฉันไม่ลงจึงรีบพูดแก้ตัวแทนหลานว่าพระคุณเจ้าอย่าถือสานั่งบนรวมมานะครับมันขัดขาดกินเกินอย่างนี้มาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วแม่มันตายตั้งแต่คลอดใหม่ๆส่วนพ่อมันเป็นลูกชายผมก็ไปมีเมียอยู่บางกอกไม่เคยกลับมาดูแลมันเลยผมก็เลี้ยงมันไว้เอาบุญอาศัยให้มันหุงข้าวให้กินตักน้าให้อาบ ภิกษุวัย25หได้ฟังเรื่องราวของสาวกัมพร้าก็รู้สึกสงสารจึงพูดให้กำลังใจว่าดีแล้วล่ะโยมจะได้ตอบแทนบุญคุณคนที่เขาเลี้ยงพ่อของเรามาคนมีความกระตันยูตกน้ำไม่หลายตกไฟไม่ไหมแต่พ่อดิฉันเขาไม่เคยเลี้ยงดูดิฉันเลยนะจ๊ะหลวงพี่หนีไปมีแม่ใหม่อยู่ที่บางกอก เขาคงมีลูกใหม่ลหลงไหลได้ปลื้มจนลืมดิฉันพูดแล้วก็ทำท่าจะร้องไห้พระหนุมจึงปลอบใจว่าเอาเธอทําความดีเข้าไว้สักวันหนึ่งความดีจะตอบสนองคิดซิว่าเราคงจะทํากรรมไม่ดีไว้ในชาติก่อนจึงต้องใช้กรรมในชาตินี้ขอให้อดทนทำความดีต่อไปและวันหนึ่งโยมจะได้พบกับความสุขความเจริญ ขอให้เชื่ออาตมาสักครั้งจ้ะดิฉันจะเชื่อหลวงพี่และ ว, วันหลังหลวงพี่ต้องมาแวะเยี่ยมดิฉันนะจ้ะพระหนุ่มไม่ได้รับปาโดยมีรู้ว่าจะมีโอกาสมาอีกหรือเปล่าสิงบุรีกับขอนแก่นช่างไกลกลันลิบลับนั่งรถเป็นวันว น, วนกว่าจะถึง จากพระเจริญชันพัฒหารเสร็จผู้ใหญ่บ้านกับหลานสาวจึงลงมือรับประทานพระหนุ่มสังเกตว่าบ้านนี้มีกันอยู่เพียงสองคนคือปู่กับหลานอยากรู้ว่าภรรยาของแกไปไหนจึงถามโยมอยู่กันสองคนหรือโยมผู้หญิงไปไหนเสียล่ะท่านถามเมื่อเขารับประทานอาหารอิ่มกันแล้วเขาตายไปแล้วครับพระคุณเจ้า เพิ่งตายไปเมื่อเจ็ดเดือนที่ผ่านมานี่เองผมก็เลยอยู่กับหลานสาวสองคนลูกเต้าเขาก็แยกไปมีครอบครัวกันหมดตรุษทีสงกรานทีเขาตึงจะพาลูกๆมาเยี่ยมมารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่บ้านวัยแปสิบสี่เล่าได้เสียงปกติขอประทานโทษโยมมีลูกกี่คนละ่ะสิบสี่ครับพระคุณเจ้า เป็นผู้หญิงเจ็ดผู้ชายเจ็ดพ่อนังบุญรวมเป็นคนสุดท้องป้าปาลุงๆเขามาเยี่ยมทุกปีมีแต่พ่อดิชันคนเดียวไม่มาจนดิชันจำหน้าเขาไม่ได้แล้วป่านนี้คงตายแล้วมั้งหล่อนแช่งสงไม่ได้โยมอย่าพูดอย่างนั้นไม่ได้แช่งชักหักกระดดกบุพการีเช่นนั้นเป็นบาปเป็นกรรม เป็นบาปเป็นกรรมมากรู้ไมมท่านปรามก็เขาอยากไม่มาหาดิฉันไม่มาหาปู่นิจจะหล่อนอ้างเขาอาจจะมีความจําเป็นอะไรบางอย่างที่ทําให้มาไม่ได้ถ้าโยมอยากให้เขามาลองสวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาสิดิฉันสวดไม่เป็นจ้ะหลวงพี่สอนได้ไหมจ้ะหล่อนถือโอกาสหาทางใกล้ชิดพระนม เพราะพึงใจในรูปโฉมของท่านอยากให้ท่านศึกหาลาเพศมาสมัครเป็นหลานเขยของปู่การได้วิชาธรรมกายทำให้พระนมล่่งรู้จิตใจของหล่อนใจนึงก็นึกดูแคลนอีกใจก็รู้สึกสงสารจึงถามปู่ของหล่อนว่าโยมสวดมนต์เป็นหรือเปล่าเป็นครับผมสวดเก่งมาตั้งแต่ตอนบวชเป็นพระนโมอิติปิโสสวดได้หมด บุรุษวัยแปดสิบสีรีบบอกกรณียาไม่ตัดสูตรละ่ะเคยสวดหรือเปล่าเคยครับแต่ได้เลิกสวดไปนานแล้วเลยจำไม่ได้ถ้าจะสวดอีกคงต้องเปิดหนังสือเจตตำนานดีแล้วถ้าเช่นนั้นโยมช่วยสอนหลานสาวให้สวดด้วยให้ว่าตั้งน้ำโมตัดสะไปจนครบ มหากรุณานิโกจบแล้วจึงสวดกรณียเมตตสูตรคือสวดบทถวายพรพระกับกรณียเมตตสูตรใช่ไหมครับคนอายุย่าง85ถามถูกแล้วพระหนุ่มตอบและจึงพูดกับนางสาวบุญรวมว่าเมื่อสวดเสร็จแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็แผ่เมตตาให้พ่อของโยมนะ ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เขาก็จะคิดถึงและมาหาเราท่านสอนสาวน้อยแต่ถ้าเขาตายแล้วเราจะรู้ได้ยังไงจ้ะเขายังไม่ตายหรอกอาตมารู้ว่าเขายังอยู่พระนุ่มบอกวิชาธรรมกายทําให้ท่านรู้เหมือนที่หลวงพ่อสดรู้ต้องสวดนานแค่ไหนจ้ะเขาถึงจะกลับมาหาหล่อนถามอีก ขึ้นอยู่กับความเพียรของโยมเป็นสำคัญถ้าโยมสวดติดต่อกันทุกวันก็ได้ผลเร็วถ้าสวดบ้างไม่สวดบ้างก็ได้ผลช้าขอให้ตั้งใจทําให้ติดต่อกันทุกวันรับรองว่าได้ผลทันตาเห็นเชื่ออาตมาตเถอะถ้าอย่างนั้นปู่สอนข่าสวดคืนนี้เลยนะปู่นะสาวน้อยบอกผู้เป็นปู่อย่างยินดี